ท่านสาวธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> สําหรับวันนี้ก็คงมาพบกมัมมรนดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรต่อไปเมื่อวานนี้มาสรุปจบลงตอนที่พระเวสสันดรสร้างพนักงานทั้งหลาย <c oughs> ให้จัดทานพิเศษชื่อสัตตดกมหาทาน สำหรับศัตดกมหาทานนี้เป็นทางทานที่ให้อย่างละเจ็ดร้อยเช่นช้างเจ็ดร้อยม้าเจ็ดร้อยรถเจ็ดร้อยโคโนมเจ็ดร้อยว่าเงินทองอย่างละเจ็ดร้อยค่าทาจิงทายอย่างละเจ็ดร้อยเป็นตน้นและก็ในทานนี้มีสุราบานอยู่ด้วย <c oughs> หมายความว่ามีการให้ทานด้วยสุราปนอยู่ด้วย อตอนก่อนที่จะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงสเสด็จไปหาพระ น, นางมัสสีเพราะนั้นว่าตอนที่จะหาพระ น, นางมัสสีเนี่ยของอรถวิสศษนิดหนึง่งเพื่อความเข้าใจดีของมรณฑะธานพุทธบริษัทเพื่ <c oughs> อตามพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิสุภาษ ที่สอนไว้เรื่องการให้ทานในตอนหนึ่งมีว่าการให้ทานด้วยเนื้อสดก็ดีหรือว่าการให้ทานที่ด้วยสุราเมรัยก็ดีย่อมไม่มีอนิสงส์ตอนที่องค์สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสถึงตอนนี้ <c oughs> บรรดาพระก็ทูลถามพระองค์ว่าการให้ทานด้วยสุราจะมีไร ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรพรทธมณฑสัทรงสอนไว้ว่าไม่มีอนิสงส์แต่ว่าทำไมเมื่อพระองค์เป็นพระเวสสันดรหนอกพระระมงองโพดิสัตว์ในการให้รัตรดกหมาทานจึงมีสุราอยู่ด้วยตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจา้าทรงตรัสว่าการให้ทานของทศ า, าคตเวลานั้น เป็นการให้ทานให้เต็มความปรารถนาของบุคคลผู้รับความจริงก็ทราบว่าการให้ทานด้วยสุราไม่มีอนิสงค์คือไม่สามารถจะบรรดาให้คนผู้ให้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเกิดเป็นพรอมได้ถ้าถึงแม้ว่าจะมาเกิดเป็นคนก็ไม่มีผลเรื่องอนิสงค์ของสุรา เธการให้คราวนั้นมีความประสงค์อยู่อย่างเดียวคือต้องการให้บุคคลผู้รับเต็มความประสงค์ของผู้รับทั้งนี้ก็เพราะว่านักสุราบานทั้งหลายจะให้ของสิ่งใดนะเธอไม่พอใจ <c oughs> นอกจากจะให้สุราแ้วมีไรเธอจึงจะพอใจ แม้จะทานนี้จะไม่มีอนิสงส์ก็ตามทีแต่ว่าที่ตถาคตให้นั้นต้องการให้ให้เต็มความประสงค์ของบคุคคลผู้รับทั่วไปเป็นสาธารณะอันนี้ขอมันดาท่านพุทธบริษัทได้โปรดรับทราบไปด้ว ย, ยว่าดีไม่ดีท่านไปพบเอานังสือที่ค้าดิบายว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการให้ทานด้วยเนื้อสดก็ดี หรือว่าการให้ทานสุรามีไรก็ดีข้อนั้นสองประการนี้ไม่มีอันดีสงจะได้ทราบว่าเจตนาของพระองค์ในเวลานั้นเป็นการให้เพื่อเพื่ อ, อความพอใจของบุคคลผู้รับซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ถ้าว่าบุคคลพูกใดพวกหนึ่งไม่ได้ของที่ตนประสงค์ก็าอาจจะคิดไปอย่างอื่นไปก็ได้ เป็นอนว่าเป็นการเปลื่ยนความสงสัยของมรนดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังในตอนนี้แล้วตอนนี้ไปก็จะนํานกระแสพระสัทธมเทศนาขององค์สมเด็จประภทีแก้วใ <c oughs> นเรื่องราวของพระเวชนดอนชานดกมาพูดต่อไปเมื่อพระองค์ทสมเด็จไปสำนักของพ น, นางมัตสีแล้ว ต่อไปองค์สมเ็จประวัทิแก้วโกสุมตัดว่าเสมัยนั้นพระเวสสันดรได้ตรัสกับพนางมัสสีว่าน้องรักทรัพย์สินแก้วแหวงเงินทองทั้งที่เป็นของที่พี่ให้ก็ดีและเป็นของที่พระราชบิดาพระราชมัรดาของเธอให้ไว้ก็ดีขอน้องนี้จงเก็บรักษาไว้ให้ดี ถามว่าของทั้งหมดนี้น้องเก็บรักษาไว้ดีแล้วหรือไปกันใดในตอนนั้นพระนามัสีก็ได้ทูลว่าของทั้งหมดที่พระเจ้าพี่ให้ก็ดีที่พระราชบิดาดมัรดามอบมาก็ดีบอมฉันเก็บรักษาไว้เรียบร้อยแล้วพระเจ้าข่ะพระเวสสันดรยินดีทรงตรัสต่อไปว่าดีแล้วน้องรัก แต่ได้ว่าพี่เห็นว่าการเก็บรักษาไว้เช่นนั้นก็ยังหาเชื่อว่าเก็บไว้ได้ดีโดยแท้จริงไม่ <c oughs> นี่เป็นอนาการเก็บรักษาทรัพย์นี้นเก็บไว้เฉยๆดีดีสำหรับการสะสมไว้เพื่อชีวิตในวันหน้าแต่ได้ว่าพระเวสสันดรก็ยังติว่าเก็บไวแล้วนะ้ำมันดีแต่ยังดีไม่พอ การเก็บที่ดีกว่านี้มันมีอยู่ฉะนั้นมั น, นเมื่อพระ น, นางมัตสีได้สนับก็มีความสงสัยยังในถามว่าพระองค์ใช้หมอมชันทำเป็นรายการใดและเก็บแบบไหนมันจะเหมาะสมพระพุทธเจ้าข่าเวราะ น, นว่าพระเวสสนนนก็ตอบสนองว่าน้องรักน้องควรจะนำมาบริจาคเป็นทานนะ บริจาคเป็นทานให้เป็นประโยชน์กับคนยากจนดีกว่าการเก็บไว้เฉยๆเช่นนั้นก็เป็นการกระทําของที่มีประโยชน์จะให้เป็นของที่ไรประโยชน์นี่หมายความว่าของที่มันคนจะมีประโยชน์มากไปกว่านี้แต่ได้เก็บไว้เท่านี้มันก็มีประโยชน์น้อย แต่ว่าทำให้ดีด้วยการให้ทานในการสงเคราะห์คนยากจนขินใจจะมีประโยชน์มากกว่าถ้าเน้นกล่าวไปว่าไม่มีความหมายอย่างไรยิ่งไปกว่าก้อนหินก้อนกรวดที่ฝังไว้ในดินเลยนี่หมายความว่าถ้างเงินทองที่เก็บไว้เฉยๆเนี่ยและเราก็ไม่ได้ใช้ค่าของมันก็ไม่ต่างกันกับก้อนกรวดกรธดกับก้อ น, อนหิน ที่จมดินอยู่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าของท่านมีเหตุมีผลดีฟังของท่านต่อไป่าท่านอธิบายว่าเพราะที่พึ่งอันแท้จริงของคนทั้งหลายเพื่อสัตว์ทั้งหลายก็คือการบริจาคทานที่ความจริงพระเวสสันดรท่านแั่ตอนนี้ก็นึกถึงคติของโบราณ โบราณบอกว่าจงล้อมลู้ได้เขียวด้งาและจงจุดตาทีพคือเทียนไฉเวลากินอาหารเวลาเย็นจงจุดตะทีพเทียนไฉแล้วก็จงล้อมลู้ได้เขียวดีงาการคาว่าจุดประทีพเทียนไช่หมายความว่าเวลากินอาหารเวลาเย็นอย่าให้มันค่าถ้าพบค่าเสีย ก, ก่อนแล้วก็มันต้องเปลืองเชื้อเพลิง นี่เการหนึ่งอันตรายอาจจะมีได้ในเวลาที่บริโภคอาหารโจนผู้ร้ายรู้เวลาว่าเรากินอาหารเวลาค่าเวลากินอาหารเจ้าของบ้านไม่มีการเตรียมตัวในการป้องกันถ้าโจนเข้ามาต้นเวลานั้นก็ทำได้ง่ายงการกินอาหารเวลาเย็นนั่นไซจะต้องจุดเชียเทียนชายกิน คำว่าจุดเทียนชัยก็หมายความกินอาหารไม่พลค่ำที่แสงพระอาทิตย์ยังทรงอยู่นี่เป็นความหมายของโบราณ <c oughs> แล้วก็บริการที่สองจงล้อมลั้วดีเขี้ยวดีงามนี่ก็หมายความอาการให้ทานการสงเคราะห์จัดว่าเป็นสังคาวัตถุเป็นการสร้างความรักความเป็นมิตรซึ่งกันและกันในระหว่างบุคคลที่ให้ทานกับผู้รับทาน ฉะนั้นอันตรายอันใดจะเพึงเกิดมีแก่ผู้ให้ทานคนที่รับทานนะไม่ใช่คนอัตตัญญูไม่รู้คนคนเสมอไปถ้าเขาเป็นคนดีมีอยู่ก็จะมาแจ้งข่าวว่าอันตรายมันจะเพิ่งมีหรือมิฉะนั้นเขาจะช่วยป้องกันไว้ทันทีที่อันตรายจะเพิ่งมีขึ้นอันนี้โบราณนิยกล่าวว่าคนล้อมรู้ได้เคี้ยวได้งา ไม่ใช่เอาเขี้ยวเสืองาช้างมาทำเป็นรัวถ้าแบบนั้นก็พังหมดคุยเรื่องราวของท่านต่อไปพ น, นางมัตซีนี่ตอบสนองว่าดีแล้วพระเจ้าข่ามอมฉันจะทำทานด้วยถ้าพระองค์ทรงทาเจ้นนั้นพระเวสสัดดนดรยินดีตัดว่วแม่มัตสีน้องรักตอนนี้ไปคอยเธอ จงมีความอินดูกรุณาบททั้งสองให้มาก <c oughs> ตลอดถึงบิดามรรดาของพี่ด้วยถ้าจะมีผู้ใดมาตกลงเป็นสามีของเธอก็ขอให้เธอปฏิบัติผู้นั้นโดยเคารพหรือถ้าไม่มีใครมาตกลงพี่ก็อนุ ญ, ญาตให้เธอสแสวงหาสามีได้ใหม่ เพราะเธอกับพี่จะต้องจากกันแยกกันเสียแล้วเธออย่าต้องลาบากเพราะการการจากของพี่เลยตอนนี้พระนามัสีฟังก็ตกใจเพราะว่าพระนามวสียังไม่ทราบเหตุร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อพระนามวสีได้สนับแบบนั้นยิงกลาบทูลถามว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมแก้ว จะไหนพระองค์ยินดีทรงตัดเรื่องที่ไม่สมควรเช่นนี้แล้วพระเจ้าค่า <c oughs> ะก็เว้นส้นดอนยินดีทรงตัดเล่าเรื่องราวที่ชาวนาครโกรธแท้นและต้องการให้ในประเทศพระองค์ให้พนางวัดศีทราบทุกประการในยินดีทรงตัดว่าวันมรืนนี้พี่จะต้องออกเดินทางจากพระนครแล้วชีวิตคนคนเดียว ต้วยชีวิตคนเดียวของพี่ในป่าหิมะผ่านนั่นเป็นหน้าเป็นที่น่าสงสัยอยู่นี่นก็หมายความว่าการอยู่คนเดียวในป่าหิมะผ่านเนี่ยอันตรายมันรอบด้านจากโรคภัยไข้เจ็บจากโจรผู้ร้ายคือคนมีจิตสามหรือว่าจากสัตว์ร้ายมันอาจจะทําลายชีวิตของท่านเมื่อไรก็ได้ ฉะนั้นท่านยังกล่าวอย่างนั้นว่าชีวิตคนเดียวของพี่ที่อยู่ในป่าหิมพันนั้นเป็นที่น่าสงสัยเมื่อพระนางมาซีไทราบอย่างนั้นแล้วจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่ขติยาลาบบอมฉันก็จะขอติดตามเสด็จไปด้วยเพราะว่าในระหว่างทางการไปตายกับพระองค์นั้นหรือว่าการไปตายกับพระองค์นั้นกับการมีชีวิต ที่อยู่ปราศจากพระองค์มองชั้นขอเลือกเอาการไปตายร่วมกับพระองค์เพียงข้าชีวิตนี้ถ้าขาดพระองค์เสร็จแล้วก็หมดความหมายนี่เป็นความจิตโดยการตั้งใจของมานางมัสยี <c oughs> พระเวสสัอยรมาทรงสั่ดับอย่างนั่งกินในทรงตัดรัวยาเลยน้องรัก ชาวพระนครเขามีความประสงค์ให้ในประเทศพี่แต่ผู้เดียวส่วนพี่น้องนางนั้นไม่มีความผิดใดและก็ไม่ควรที่จะต้องไปพลอยลาบากไปรับความทุกข์ยากและหกกระเหินกับพี่ด้วยข้อสำคัญก็คือขอพี่น้องนางจะต้องดูแลบทตรงสองที่น่ารักของเราและเธอก็จะทอดทิ้งบุทไปกับพี่ได้อย่างไรกัน นี่หมายความว่าเราเขาเริสันนิษทานิ่านมัสซีไม่มีความผิดก็ไม่ควรจะไปกับท่านเพิ่นนางมัสซีนี่กล่าวถึงว่าปัญญาที่ดีจะต้องยินดีรับทุกข์รับสุขร่วมกับสา ม, มีคนคนเดียวกันเหมือนกับคนคนเดียวกันเมื่อสา ม, มีมีความสุขปัญญาก็มีความสุขด้วย ถ้าสามีมีความทุกข์ปัญญาก็ควรอย่าทุกข์ด้วยมอมฉันจะพาบุตรทั้งสองไปด้วยขอพระองค์อย่าทรงปริวิตกไปเลยพระเจ้าค่ะตอนนี้ฟังแล้วก็ต้องคิดต้องคิดว่าคติของคนโบราณเนี่ยเขาดีจริงๆล้ว <c oughs> ว่ากันไปเมื่อว่านางมสัสซีนได้จิยงได้วาดผ้าป่ายมาผ่าน ถวายพระเวชสินดอนฟังแล้วก็น่ารืน่นเป็นที่น่ารื่นรมว่านี่ความจริงพระนางมัสีเนี่ยท่านเคยไปเที่ยวป่ายิมพ า, านมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าในเมื่อความปรารถนาท่านจะติดตามพระเวชสินดรในฐานะที่เป็นสตรีผู้มีความดี <c oughs> อย่างนี้ก็ถือว่ากุลสตรีคือสตรีผู้รักษาวงศตระกูล เมื่อสามีสุขก็สุขด้วยสามีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยแต่ขั้นเมื่อสามีคายค า, า, านก็พัฒนาความดีเด่นซึ่งความเป็นสุขในป่ายเมื่อผ่านให้พระราชสวามีฟังตรงนี้ก็สงสัยอยู่นิดนะสงสัยอยู่นิดเพราะว่าเรื่องราวของพระเวสสันดร น, นี่มีเทวดาะสมอยู่ตลอดแล้วท่านจะทราบภายหลัง เมื่อพนันบรร น, น, น, นมามัสีก็พูดพันนาเรื่องป่าหิมพานต์ว่ากุมารทั้งสองของเรากำลังน่ารักนีหมายว่าลูกทั้งสองกำลังน่ารักมีเสียงไพเราะนั่งเล่นจินตาอยู่ตามพุ่มไม้ในป่าคล้ายๆกับอาสมที่จะช่วยให้พระองค์ไม่ทรงรักถึงพระราชสมบัตินี่เป็นการหนึ่ง นี่ว่าเึงการรื่นเริงแต่ความจริงในป่ามันเป็นที่น่ารื่นเริงจริงๆมีอาการเงียบสงัดลมพัดโชยไปมามีความเยือกเย็นมีสมุมธุมพุ่มไม้ที่เขียวชื่นอุ่มปริใบสดแล้วก็เสียงนกเสียงสัตว์ต่างๆที่ร้องอยู่ในป่าคล้ายกับดนตรีเป็นเครื่องบันเลงนี่ความจริงของป่าเป็นอย่างนี้ ถ้าตอนนี้ไปที่ก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรพระราชนกุมารพระกุมารทั้งสองของเราเป็นว่าเมื่อพระองค์ได้มองดูเห็นลูกทั้งสองของเราที่ประดับประดาไปได้วยใบไม้พรอนดำลื่นรงอยู่ดื่นเริงอยู่ในบริเวณอาศรมก็จะทําให้ลืมพระราชสมบัติินได้พิจิกะ และอีบรายการหนึ่งปลายหิมะผ่านนั้นมีฝูงช้างไพรท่องเที่ยวไปมาแล้วก็ส่งเสียงร้องกล้องโกลจนนานโกลจนนาดแล้วก็เตือนกราดไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดมีนางกินนอนฟ้อนรำขับเพลงประสานเสียงน้ำตกอยู่เสมอ หมายควาว่ามีนางกินนอ น, นร้องเพลงประสานกัะเสียงน้ำตกอยู่เสมอประกอบไปด้วยเสียงนกเข้าเสียงราชสีเสียงเสียงเสือโครง่งเสียงแรดเสียงกวางเสียงโวลานร้องประสานกันเป็นระยะระยะมีพญานกยุงแวดล้อมไปได้วยนางนกยุงรูปงามขนสีสวยอยู่เป็นหมู่ห ม, หมู่มีต้นไม้ต่างๆบ้าง ออก็ออกมีต้นนับไม้ต่างๆบางต้นก็ออกดอกเบ่งบานสะพรั่งต่างสีต่างสวยทรงกลิ่นหอมตลบอยู่บ้างแล้วก็มีลูกค่อยระยะเต็มต้นบ้างสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วจ ะ, จะพาให้ไปที่น่าเรินรมเพื่อเพลินเจริญใจลืมได้จะสมบัติและความบรมสุขบ น, นพระนครเสียได้ไปเจ้าค่ะ เมื่อพ น, นามัตสีได้พ น, นาป่ายิมภัยผ่านให้พระเวสสันดรได้ฟังอย่างน่ารื่นรมราวกับว่าพ น, นามัตสีได้เคยเสด็จไปทอดพระเนตรแล้วเช่นนั้นในตอนนี้เขาแปลว่าเขาบอกว่าจบกันป่าหิมภัยการหิมภัยนะ <c oughs> เป็นนั้นว่าตอนนี้ไปก็ขึ้น ก, นกันธนากันเมื่อข้าว เป็นอันว่าเมาื่อพระนามัสสีพันนาความเป็นมาของป่าให้พระเวทท่นดทราบทั้ทงนี้ก็มีความตัดถนายติดตามพระราชสวามีไปเรื่องท่านมาจบตรงนี้ให้ขึ้นธนกันแล้วก็ว่ากันไปว่าเมื่อข่าวในประเทศพระเวททันดรแพร่ไปสมเด็จพระ น, นางผู้สันดีได้สนับแล้ว ก็รีบเสด็จไปยังบริสายของพระเวสสันดรในขณะนั้นเป็นเวลาที่พระเวสสันดรกับพนางมัสสีสนทนากันอยู่อย่างเศร้าโศกสมเด็จพนางพู้สันดีจึงได้ยืนประทับเงียบอยู่ที่ประตูห้องหน้าประตูห้องบรรทมพอได้สดับคําพร่ำลำพันสนทนากันแบบนั้นแล้วก็ไม่อาจที่จะระงับความโศกเสียใจได้ จึงได้เสด็จเข้าไปปลอบพระราชบุตรและพระสุนิสาคือลูกสะพ้ายได้ความรักแต่สงสารเนื้อสุดซิงและยังรีบเสด็จไปยังบ้านสาย ข, ของพระราชสวามี <c oughs> เป็นนว่าบรรนางเมื่อเมื่อพระนางพสนดีถึงพระราชสวามีเข้าเฝ้าแล้วจึงได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์เสชนไหนยังทรงขับไร่พระราชโอรสไปเสิร์เล่าพระเจา้าค่ะ รองเห็นสมควรเป็นรปการใดหรือจะได้ทำแบบนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยยินดีตอบว่าฉันขับไล่พระราชโอรถตามความต้องการของชาวเมืองอความจริงฉันก็ไม่ได้กดเครื่องพระราชโอรถคือนลูกชายของเราเลยแต่ว่าเราต้องเคารพและปฏิบัติตามพระราชประเพณีนิยม นี่หมายความว่าถ้าบรรดาประชาชนเขาไม่ต้องการแล้วก็ก็จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเพราะการเป็นพระราชาสมัยนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับเป็นประชาธิปไตยสมัยนี้ <c oughs> ว่าพระราชาจะทรงเป็นพระราหยุดหยุดราชาอยู่ได้ก็ต้องอาศัยบรรดาปรงชนมีความเคารพนับถือ ถ้าขาดการเคารพนัถือเสร็จแล้วบรรดาประชาชนหลายอาจจะรวมกันลงประชาทันพระราชาสิคนใดเป็นอันว่าพระนางผู้สันดีไม่ได้ท ส, สนับยิงได้จัดว่ารัฐมนตรีของเราจะต้องเป็นเหมือนกับรังพึ่งร้างในเมื่อขาดพระเวชสันดนดรลูกชายเสียแต่ว่าเมื่อพระองค์ถูกพ่อหมัดละทิ้เสร็จแล้ว ก็งจงจะต้องลำบากอยู่เดียวดายเหมือนกับพญาโหงปิดหักที่ตกจมลงอยู่ในหนองที่หนองน้ำทิ่แแ้งข้าแต่พร ะ, พระมหาราชเจ้าขอพระองค์จงหย่าขับพระราชโอรสผู้ไร้ความผิดตามคำของชาวเมืองเลยพระเจ้าค่ะอันนี้เป็นถ้อยคำของ น, นางผดสดีทูล ก, กับพระเจ้าครงสนชัย สำหรับพระเจ้ากรุงสุนชัยที่ในตัด ว, ว่าน้องรักถึงแม้ว่าลูกชายของเราจะเป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราก็ตามทีเราก็จำเป็นที่ต้องขับไล่เพราะเป็นพระราชประเพณีเช่นนั้นนี่ความเป็นพระราชาก็ลาบาก <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะทำทุกอย่างได้ตามใจชอบนะวันนี้อันนี้บรรดาท่านพู้บริษัทก็ต้องคิด เมื่อฟังแล้วก็โปรดคิดไปด้วยนี่หมายความว่าพระองค์ต้องการรักษาประเพณีไม่ใช่เห็นส่วนพระองค์เป็นสำคัญแต่ความจริงได้เห็นกับพระองค์แล้วพระองค์ก็จะบอกว่าช้างตัวนั้นเป็นช้างของลูกฉันนะจ๊ะเมื่อลูกฉันไม่เกิดมาช้างมันก็ไม่มีมาเมื่อลูกของฉันให้ช้างของเขาไปจะเอาอะไรเป็นความผิดแต่ว่าเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท เป็นเรื่องของหนอพระบรุมพงพธิสัต์ที่จะต้องบำเพ็ญบารมีให้ครบทั้งสิบอย่างในเรื่องราวของพระเวสสันดรฉะนั้นฟังกันต่อไปถ้าวินิจฉัยมากก็รำคาญบรรดาท่านพุทธมรษสท่านอย่ารำคาญนะไม่ใช่ธรรมารำคาญเป็นนั้นว่ามุฟ น, นามสัสสีกราบทูลพระราชสามวามีไม่ได้ผล พระนามพุทธิสันตก็ได้ได้ทรงรําตัําลําพันนี่ความอะไรรักในพระราชโอรสราคือว่าดวงหะไทยเสีใจอย่แตกดับลงไปสําหรับนางสนมกํานันทั้งหลายไม่ได้ฟังคําตัําลําพันต่างต่า ง, ต, างต่างคนต่างก็ช่วยกันร้องไห้อื <c oughs> ตามพระบาลีว่าต่างคนต่างก็ช่วยกัะปฏิพฤติวณาการไปตามกัน ถ้าภาษาไทยเรากเรียกต่างคนต่างก็ช่วยกันร้องไห้ถพราะต่างคนต่างร้องนะเป็นธรรมทำให้ประสาทเขาแมเจ้าสุกงสกรงสุนทรสนชัยระงมประเดีเสียงรง้องไห้แล้วก็ขยายวงออกไปจนทั่วพระราชินิเวศทุกคนยกแขนขึ้นรำไห้แล้วก็กลิ้งเกลีอกไปมาเหมือนป่าที่ไร เหมือนป่าไม่รังที่ถูกพายุกนําให้พี่นาฏลงฉันนั้นโอ้โหท่านเปียบเทียบหน้าฟังเป็นวานว่าวันรุ่งขึ้นพระเวสสันดรเสด็จออกจากโรงทานเพื่ออยทรงบำเพ็ญทานเป็นครั้งสุดท้ายตามที่ทรงตั้งประทัยไว้บรรดาผู้รับทานท่าหลายต้องอพากันหลังไหลามาจากทุกทิศ แล้วก็ตั้งใจมารับฐานแล้วก็นั่งท่ํามพันกัไปต่างๆ น, นานาเป็นต้นว่าเครียดแ้ากรุงศนชัยเชื่อฟังคําคุณโง่เอ้นี่คนนี้ตั้งใจไล่พระเวชนดลก็ต้องแบ่งเป็นสองพวกดินะพวกหนึ่งต้องการไล่แต่พวกหนึ่งไม่ต้องการไล่พวกที่ไม่ต้องการให้ไปก็ให้ไปกับบรรดาพระเจ้ากรุงศนชัย ว่าพระเจ้ากรุงสนชัยเชื่อฟังคําของขุนโง่นี่ยที่เป็นผู้ใหญ่มันเป็นอย่างนี้เป็นกระโถนท้องพระโรงเป็นว่าการขับไล่พระเวสสันนดรผู้ไร้ความผิดก็ถ้ากับการตัดทตัดรากถอนโคนต้นไม้ที่มีดอกมีผลเสียแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีดอกมีผลดกเสียด้วยนี่เป็นเรื่องของคนรับทาน ต่อจากนี้ไปใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของพวกเรานี่พวกรับทานเป็นอย่างนี้นะบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> <c oughs> การให้ทานเป็นปัจจัยของความรักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสนี่เราจะเห็นว่าผู้ที่รับทานจากพระเวสสันดรน่ะเขาเสียดายเป็นน้ำว่าในการนั้นบรรดาหมายขครรายการท่านหลายตา่างก็ทอดอะไรไร้ความหวังหมดหมดแรงไปตามๆกัน ขาดพระเวสสันดรหมดที่พึงเขาคิดว่าเขากล่าวว่าเมื่อร่มโพร่มใสใหญ่ที่ถูกโค่นลงเชนั้นเราเองจะอาศัยอะไรเป็นร่มเงาบรรดาสมณชีพรามต่างก็สลดใจไม่สามารถจะกล่าวคำอันใดไ ด, ได้เหตุการณ์ในวันนั้นปรากฏว่าพระนครพาราณสีเป็นพรนครแห่งความเศร้าสลด โรดใจไปทั่วทุกมุมเมืองอาดบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาจะเศร้าเขาจะสุข ก, กับเป็นประการใดก็ดีสำหรับวันนี้ก็งดการเศร้าสุข ก, กันไว้สักนิดหนึ่งทั้งนี้เพราะอะไรเพราะดูเวลาก็หมดไปแล้วนี่ถ้าบังเอิญสถานนี้ให้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงก็จะชวนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทช่วยกันร้องไห้สงสารพระเวชนนทรต่อไป แต่ว่าเวลาก็สถานีให้ไว้ธรรมนี้ก็ร้องไห้แกงเพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้ร้องไห้กันในวันต่อไปจะได้มีจืดจางอร บ, บันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วต้องขอลา ก, ก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พุ่นผลจงมีแด บ, บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี